ธรมรมกากแลระคุณเจ้าภิกษุภิกษุณีภิกวก็สวัสดีเ <c oughs> พื่อนนักปฏิบัติทุกทุกท่านก็รู้สึกยินดีนะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นป่าให้ธรทมเป็นวันที่สี่ก็ ทุกๆท่า น, นก็คงจะนอนหลับสบายดีอยู่เนาะมีคใครบ้านที่นอนไม่หลับปีนั่นปีนใครฝันไหมฝันดีไหมฝนะันก็เจอสติหรือเปล่าซึยังฝันอยู่บ้านเราไม่เป็นไรหรอกนะ สิ่งที่เป็นเมื่อวาง ใ, ให้มันผ่านไปให้มันผ่านนะมันมันล่มละลายไปแล้วมันไม่มีแล้วนนก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับปัจจุบันนะผู้ทุกท่านะนะวางจิตวาใจเมื่วางไว้ที่ปัจจุบันวางจิตวางใจไว้ที่ปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันจิต ปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือสีทีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้ขนาดนี้นี่แหละคือปัจจุบันปัจจุบันในสลายแห่งนี้ในขณะที่เรากำลังฟังธรรมะและก็ที่ปัจจุบันที่สุดก็คืออยู่ที่ความรู้สึกตัวเอาคิดเอาใจเจอที่ปัจจุบันคือที่ความรู้สึกตัวที่เรื่องราวในอรีตไว้ขงหลัง มารู้ตัวอยู่กับ้ารตงใจฝธรรมะถ้าใจใครยังไม่อยู่ตรงนี้ยังอยู่เรื่องราวเมื่วานนี้แล้วก็ขยับมันไปข้าหน้าขยับไปเลยดึงจิตดึงใจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่อยู่กับปัจจุบันใจเราหลับไปยังรับมากลับมาไปตามกลับมาอยู่แบบนื้อบบตัว อากาศที่แบบนี้ตัวเราจะปลอดภัยนะปัจจุบันคือชีวจริงแต่ตอนนี้เรายาัง่รู้ตัวนะแต่ยังมาสนใจอยู่กับเรื่องราที่ไม่ได้ไปเรายังไม่รู้ตัวที่กาลังเลื่อนลอยอยู่กับสิ่งที่เขาลังทาอยู่นะรู้ไหมรู้ไหมกลับมาอาจจัยกลับมาบ้านเรามีสติปัจจัยกลับมาที่บ้านเราที่เนื้อที่ตัวยอย่าปญญล่อยให้ลอยนะ สิ่งอื่นเนี่ยไม่สำคัญสิ่งอื่นไม่สำคัญเพราะอะก็ตามที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันไม่สำคัญหรอกที่ไม่ต้องการเพราะว่ามันดับทุกกับเราไม่ได้มันดับทูกข์กัเราไม่ได้มีแต่ความสงสัยสงสัยว่าเขาทำอะไรใจเราม่รู้นะไม่ได้ปคิบันแต่แล้วก็ตามที่นี่ที่เรื่องดับูุกข์ดับไรทุกข์ขาะความรู้สึตัวที่อยู่กับปฏิบันเนี่ย มันดับทุกได้มันพ้นทุกได้มันหมายว่าจิตใจเราเอางมีความ ส, สาใดใสเกิดบางปัจจุบันคือชีวิตจริงชีวิตจริงมีได้เฉพาะปัจจุบันนี้ขณะนี้เท่านั้นสัจธรรมมีเฉพาะปัจจุบันเราก็อยู่กับชีวิตจริงนะอย่าอยู่ยกับความคิด ชีวิตจริงคือที่อยู่เฉพาะหน้าในคว่าสุกตัวนี้คือชีวิตจริงแม้แต่ตัวเราเมื่อวานนี้กับเราวานันนี้มันก็คนละคนกันใครว่าคนเมื่อวานนี้กับวันนี้เป็นคนเดียวกันบ้างยกตัวขึ้นซิท่านกําลังท้ายอยู่คเพราะตัวเองมันมีข้อพิสูจน้รับข้อแตกผมมีคําตอบไว้ว่าเราวันนี้ กับเราเ่วานนี้มันคนคนกันเสื้อผ้าของเราเมื่วานนี้และที่เราลอส่วันนี้เนี่ยมันก็เป็นละตัวกันใส่ทั้งเจ็วันเลยมันก็เป็นค น, น, น, น, ค น, น, นตัวกันสังเกตดูได้เรามองภายนอกมันเหมือนตัวเดียวกั น, นแต่ลองดมกลิ่นเลยกลิ่นเมื่อวานเนี่ยกลิวันนี้เมันอันไหนมันดูนแรงบ้างหรือ ใช่ไหมมันก็ร่ลแล้วอยากถามแต่ว่าอาหารที่เราทานเมื่อวานนี้กับอุณจะร่างเเนี้มันเป็นสิ่งเดียวกันไหมใครว่าสิ่งเดียวกันยกมือใครว่าสิ่งเดียวกันยกมืองั้นอุจจาระตอนเ้านี้เราทานได้เลย สิ่งที่เมื่อวานนี้มันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความทรงจำถ้าเราไม่คิดเรื่องราวในอดีตก็ยังมีวันเกิดขึ้นได้สิ่งที่เลวร้นรานทั้งหลายที่ทาให้เราเป็นทุกข์ที่มันมีบคั้นที่จใจเรา หรือเราเคย ท, ำทํำถึง ท, ท, ที่นี่เดียไว้แงดีคิดที่มันทีไรเนี่ยเราเจ็วดใจด้ีเลยคิดถึงเรื่องที่ทีไรเราเจ็บปวดใจด้วเลยแต่ถ้าเรามารู้สึกตัวลงอยู่ปัจจุบันเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเรื่องราวในหลายที่เราเคยทำเอาไว้ถ้าเราไม่คิดถึงมัน สี่งนันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่คนเรานี่แปลก อ, อะไรก็ตามอยากจะลืม อ, อยากจะลืมแต่มันกลับจําแต่มันอยากเนี่ยอยากจะจํามันกลับลืม อ, อยากลืมแต่กลับจำอยากจํากลับลืมเ <Yeah. S 1> สียวเนี่ยซึ่งมันมันทาให้เรามันรบกวนจไิได้เรามา นถ้าเรามารู้สึกตัวที่ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างสกปรกสุดเห็นไหมบางนี้เราเรามารู้สึกตัวอยู่กลางฝันเราลืมไปสักแต่ว่าเราเองไม่มีใครอยแม้แต่เรื่องราวในอนาคตเรื่องในอนาคตซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นเรามีความดโกรธระคว น, นมีความวุ่นวายเรื่องราวเก่ยวกัอน า, นาคตเนี่ย ซึ่งมันยังไม่มีแล้วมันจะ็ น, น, นเรื่องราวความยุ่งเรื่องราคตรเหนี่ยคือความสงสัยความไม่แน่นอนเพราะสฉะนั้นมันยังไม่เกิดมันคือความคิดทั้งหมดรูมนี้มีไหมใครเป็นรูปีบ้างเพราะฉะนั้นไะอ้ความโกลาหลตา่างๆความของอย่างต่างๆาค์โตเหนี่ยมันยังไม่มี ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยรู้ตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีความกังวลไม่มีความโหยนใหญ่คนที่นับวันเวลาว่าเหลืออีกสามวันจะกลับบ้านเมันเป็นเรื่องหงุดหงดถ้าเรามารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราลืมวันเวลาเลได้ ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปผ่านไปนี้เราไม่รู้แล้ว่าอ่ะนี่มันจะต้องกลับมาอ ค, คนรุกคนเนี่ยจะมีความวิตกกังวลวิตกกังวลเรื่องอนาคตต่างๆมากมายว่าจะเกิดสิ่งโู้นขึ้นเกิดสิ่ง น, นี้ขึ้ น, นแล้วขอถามหน่ว่าเรื่องที่เรากังวลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจร่งกี่เรื่องไหนบางทีมันไม่เกิดขึ้นเลยซ้ำไป ความกังกวลเนี่ยในอน า, นาคตเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์ฟรีๆเพราะบางทีมันไม่เกิดขึ้นเลยบางทีมีแค่เพื่อแค่ทีเดียวแล้วเราก็แก้ไขได้เลยโอ้เราขาดทุนเป็นทุกข์เรื่อต้องหนาเป็นทุกข์เรื่องหน้าต้องหน า, เ, นนาเห็นไหมก่อนที่เราจะไปหาหมอช่วเรามีความป่วยไข้ได้ไหมครับก่อนที่เราจะไปหาหมอเนี่ยเราคิด โอ้โหเราจะเป็นโรคโน้นเป็นโรคนี้คิดที่ตกตะวันโลกหน้าไว้มากมายกินไม่ได้นอนไม่หลับโทรศัพท์ประสาทหายใจไม่สะดวกคิดว่าเรื่เป็นโรคนั้นเชื่อจะเป็นโรคนี้มากมายพอไปให้หมอแมทยดูหมอ บ, บอกไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมใครไปเป็นอย่างนี้บ้างมันเป็นความคิดทั้งหมดเลย <c oughs> เรื่องราวทั้งหลาย ที่มาจากอดีตวัดีหรืออดานวันดีมันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสิ่งนั้นก็กลับไม่ดีการที่เราจะออกจากความทุกข์พนานจิตใจได้นั้นเราจะต้องมารู้สึกตัวอยู่ที่ปัจจุบันทุกขทั้งหลายจะให้เกิดจิตของเราเนี่ย จะอยู่กับปัจจุบันได้นะจะต้องมีความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยสามารถพาจิตใจขอเราออกจากอดีตออกจากอนาคตได้คนเราสามารถคิดได้คิดได้โดยทีห่ห้ามอาจจะคิดถึงเรื่องราวในอดีตอาจจะคิดถึงเรื่องราวนอนาคตคิดได้แต่ถ้าเรามีความรู้ึกตัวเนี่ย จิตมันจะออกไปกับปัจจุบัานาง่ายดี้การปฏิบัติของเราเนี่ยคือการนำความทุกตัวเนี่ยก็เพื่อว่าให้จิเนี่ยมาอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายกายเคลื่อนไหวใจก็รู้ กลายเคลื่อนไหวในกายบทใดนอนมนะั่งยืนเดินเหยียดงอเดี่ยวซ้ายแลงขวากับทิตามหรือลำไา้ก็ให้รู้สึกตัวกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไห น, นกายทำอะไรใจก็รู้ด้วยเมื่อเราไปยากกายทีไรใจก็รู้ด้วยนะ เมื่อทีมันคิดเราก็มีปติป ร, รู้ทันเมื่อมันคิดแล้วเมื่อรู้ทันแล้วก็ปล่อยมันผ่าและวระเดิมตนรู้สึกตัวใหม่รู้ทันแล้วก็ปล่อยันผ่านไปแล้วก็รู้ใหม่เมื่อหลบลืกไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรือเมื่อเรารู้ไม่ทัน ก็ไเป็นไรก็拐ผ่านไปเพราะมันเป็นอินทรีย์ก็เริ่มต้รู้ให ม, ม่รู้สึกใหม่เรื่อยๆจิตใจเราจะใหม่เมมสมอชีวิตเราก็จะใหม่ทุกวันปัจจุบันมีเดียวเดียวแล้วมันจะผ่านไปปัจจุบันมีเดียวเดียวแล้วก็ผ่านไปมันไม่เที่ยงแค่แน่นอนแบบนี้ไปจนตายเลยเราลองนาฬิกานาฬิกาเนี่ยมันมีถอยหลังไหม นาฬิกาเนี่ยมันไม่เด่นเดินละปัจจุบันเมื่อเรารู้ทางนาฬิกาคือปัจจุบันแต่แล้วปัจจุบันนัก็จะหายไปแล้วมันก็จะเริ่มต้นเป็นปัจจุบันใหม่ที่เดียวนาฬิกามันเดินไปกันต่างนาฬิกามันเดินไปกันต่ามันเดินวนรอบๆจะเดินไปถึงไหนก็เดินไปจนกว่าผ่านมันจะหมดแลมันตาย นาฬิกามันเป็นนาฬิกาชีวิตเรารแต่ละมันมีแต่ปัจจุบันแล้วก็เลื่อนไปนางอดีเนี่ยปัจจุบันเดียวเดียวเนี่ยมันต้อแหนะสุดท้าเราก็ต้อง่านหมดนาฬิกาเลยเราคุานาฬิกาชีวิตเนี่อย่าลืมว่านาฬิกาแต่แต่เราไม่งานดีเม่ันที่เนีน่มันทำประโยชน์กับเราถ้า้เราได้รู้เวลารู้เวลารู้หมายถึมงมืการรู้ประสบการต่าง เวลามาเดินไปแต่หลังล้นเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปแล้วิี่คนเราผ่านไปแต่และ ว, วินาทีแต่หลังจากขะเนี่ยเราทําประโยชน์สำหรับตัวเราเองหรือคนอื่นหรือโลกนี้อย่างไรมะถ้าเราอยู่โดยที่ไม่กันประโยชน์่หายใจเข้าหายใจออกทิ้งไ ป, ปกลๆไม่มีประโยชน์เลยเลยเราจะสู้แบนกลางได เราจะกลายเป็นคนนี้ปรมาณเกิดมาสิฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะว่าไป ม, มาพูดเล่าตัวกันวางอย่าเอาหน้ากูเนี่นอยากคิดว่ากลับ้ากลับ้าอยู่กับปัจจุ บ, บันประมาณกบบารที่เรามาที่นี่มาใช้คีวิตแบบรู้สึกตัวเนี่ยมันมีสาระมีประโยชน์แล้ว เราไม่ละหมาดแล้วเราทำถูกต้องแล้วเราเป็นมนุษย์ที่เต็มตัวนะเรามีกว่านิกาอีกเราทําประโยชน์ให้มากกวานาฬิกาทำประโยชน์ให้ได้มากกว่าฬิกาด้วยนะถ้าเราที่จะถาเราที่จะทำนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรามาทาตรเนี้ยเนี่ยมารู้สึกตัวเนี่ยอยู่การใช้ที่ตรงนี้ก่อนเนี่ยคือประโยชน์ที่ต้องทำก่อนเวลาเรา เพื่อไหวในใจปวดใจเนี่ยก็ให้เอารู้สึกตัวนะให้รู้สึกเฉยให้รู้สึกให้มันต่อนเนื่องรู้สึกให้มันต่อนเนื่องการรู้สึกต่อนเนื่องบ่อยๆเนี่ยถ้าไม่จิตกัีกําลังมันอยู่กับปัจจุบันได้นะให้รู้สึกเฉยสักแต่ว่ารู้อย่าฟมือรู้สักแต่ว่ารู้รู้เฉยอย่าไปคิดตามเมื่อจิตสงบก็ให้รู้ จิตปุ้สร้างก็ให้รู้ให้รู้เฉยๆอย่าไปรู้เรื่องราวของความปุ้สร้างให้รู้ให้ตอ่อเนื่องไปเรื่อยๆเท่ากับเป็นการสอนหญิงให้มันรู้มากกว่าให้มันคิดอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ความคิดมากกว่าความรู้เรามักจะคิดคิดคิดก่อนที่จะรู้ในบางอย่าง พอคิดและก็พูดพอคิดแล้วก็ทำโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยก็มีเราจึงเป็นเห ย, ยื่อเรีนอื่นซ้ำไปบางทีคำพูดของเราพูดโดยที่เราไม่รู้ึตัวพูดตามความคิดเนี่ยมันไม่เป็นเหยือเรีนอื่นให้เป็นทุกข์นะความคิดของเราเนี่ยที่เราไม่รู้สึกตัวทําตา ม, า ค, มใใตนะความคิ ด, าาา บ, าคดบางทีเป็นเหยเรีนคนอื่นไปทําร้ายอื่นก็มี เราพูดไปแล้วเราทำไปแล้วบางที่เราหลับม <ๆ S 1> ันเสียดายว่าเราไม่น่าหันนะแล้ามันก็แก้ไขไม่ได้อนะเราเองก็จะเป็นป่าสนี yeah. ่บั้งแต่เร็นต้นไปเนะี yeah. ่ยก่อนจะทําอะไรก็ดีก่อนจะพูดอะไรก็ดีให้เรารู้ตัวเอาความวาารู้ตัวนําหน้ารู้ตัวนําหน้าความคิดรู้ตัวนำหน้าการพูดรู้ตัวนําหน้ากา ร, ราาการะทําให้หน้า เอาความรู้ตัวนั่น้างไปบางทีมันคิดอยากจะพูดแต่เรารู้ตัวแล้วบางทีไม่ต้องพูดก็ได้บางทีเราคิดอยากจะพูดแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดตามก็ได้ไม่ต้องูดตามบางที่ก็ได้ถ้าฟ า, างคิดนั้นมันเป็นเดียรเดียรมันอยู่ในเดียดร้อยการพูดบางทีเราอยากจะต่อว่า เราคิดไม่พอใจใครอย่าไปพูดว่าเขาต่อว่าเขาถ้ารู้ทันความคิดเนี่ยไม่พูดกสีดายเราคิดขึ้นมาอยากจะไปทำร้ายใครให้มีสตริรู้ทันในความคิดก่อนเราจะไม่ไปทำร้ายใครเราจะเสียดายไหมถ้าเรามีความรู้ตัวก่อนได้ไม่ไปพูดว่าเขาไปทำร้ายเขาเนี่ยเราจะเสียดายไหมบางคนประโกรธแล้วกขามีไตว่า เพราะกลมา ไ, ได้ให้ตลัวก่อนความรู้สึกตัวเนี่ยสติเนี่ยมันสามารถกั้นกระแสของความ ค, ามคิดที่ตุกติกได้แต่วิธีเราต้องต่อไปไม่คิดคดลาดในการดำเนินชีวิตให้เรารู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วต่อไป เ, เราไม่ต้องตั้งใจเรื่อย มันจะมีความรู้ตัวเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจเลยนะเห็นไมบางทั้งเนี่ยเราฝึกมาแล้ววันที่สี่บางทั้งไม่ได้ตั้งใจจะรู้ตัวเลยนะแต่มันมีความรู้ตัวเกิดขึ้นเองนั่นมีไหมบางทีเราฝันว่าเรารู้ตัวเลยเหมือนอย่างกับการที่เราคนที่เคยเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องคนที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็สอนลูกเราสอนเขาเนี่ย ใหม่ๆต้องสอนต้องคว่ำสอนก่อนต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องสอนเขาสามารถทําเองได้เขาสามารถทําเองได้เราสอนมาแล้วเขาทาเองได้เราเองแี่ยดูดูหาเขาไดเนี่ยเรามาทเนี่ย<ม>ก็เพื่อทำสิ่งเดียวเรามาอยู่ที่วัด น, นี้ก็เพื่อทําในสิ่งเดียวเท่นั้นคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว ทำแค่อย <S ess> นะ่างเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องใช้ความที่อะไรเลยก็ได้ไม่ต้องไปขับไล่ความคิดไม่ต้องไปข้ามความคิดไม่ต้องไปลังเกียจความคิดเพียงแต่เราทําความรู้ตัวสิ่สิ่งนั้นก็จะหายไเ้เองเอามารู้ตัวเนี่ยมันน่ า, า, า, ไไานดีบนใจของเราไว้รักษาเนื้อที่จิตใจเราไว้ด้วยความรู้ตัวด้วความคิดจะไม่เข้ามาแทรกเอาความรู้ตัวเนี่ยครองเนื้อที่จิตใจไว้ก่อน ทำแค่อย่างเดียวความคิความคุ้คมกนต่างๆมันจะอยู่นอกๆมันเข้ามาถึงที่ใจเราแล้วเขามีความคุดมามันจะเข้ามานั่งท่านใจเราเราก็รู้ทันสิ่งนั้นมันก็จะหายไปไนะเอาความพึ่ตัวเนี่ยจองที่เราไว้รักษาที่เราไว้อันดุลยอย่างในยางพระพุทธเจ้านะท่าน จองที่แท่นนี้ไว้เนี่ยแท่นนี้คือใจของเราเพราะคุกเจ้าคือความรู้สึกตัว <Wow. S 1> ท่านจองที่มป็นแท่นนี้อย่าถามว่ามีใครบ้าง <Yeah. S 1> ที่จะมานั่งมาไล่ทอ่อนแล้วมานั่งที่แนนะ่งข <Yeah. S 1> ้พอใครเข้ามาท่านก็ยิน <Yeah. S 1> แล้วเราก็จะ ไม่กล้าขกกระเด็เออกไปหรือใครจะมา น, น้าต่ท่า น, นใจเราก็เหมือนกันใจเรามีเื้่นที่องที่อ่หอน้กคอยู้อก่อยูนหีกคนทีอ ใ, ในเ น, นเีกค่ยนุกคนท่อยูน้อนีกควูใ้องี้ท่อยองที่อยู้ท่อยเ่ค่อยู่น้ีคี่ยหงีคิดมากคนย้ก็อยืนีก ความคิดมันก็จะหายไปทันทีเคยไหมเวลาเราโกรธเวลามันเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราเคยยิ้มให้ความโกรธไหมถ้าเรายิ้มให้ความโกรธเนี่ยมันจะหายโกรธทันทีนะถ้ามันโกรธและเราก็ตอบตามเท่ากับเราเชิญความโกรธเข้ามาหน้าหนึ่น ใ, นใจเราไปแล้ว เนไเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้สึกตัวเพื่อรักษาใจให้เป็นปกติให้รู้สึกเฉยให้รู้เฉยโดยที่ไม่ต้องอาศัยความคิดอะไรเลยไม่ได้ห้ามความคิดเรียกมือรู้สึกขอนะยกมือรู้สึกเวลาก้าวเดินให้รู้สึกเวลาลงไใจเข้ารู้สึกใจออกพูดแค่เพียงรู้สึกเฉย รู้เฉยๆโดยที่เราไปหาความคิดจิตเราไม่จะสบายไอ้ความรู้สึกเฉยๆเนี่ยรู้สึกรู้วนๆเงเนี่ยมันเป็นต้นตอของชีวิตจิตใจของเราครับชีวิตจิตใจเราเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับการบุกแต่งการคิดบุกแต่งนั้นมันไม่ใช่ต้นตอของชีวิตจิตใจ ไอความรู้สึกรู้วันเฉยๆอย่างนี้แหละถ้าเราทําต่อเนื่องกัร น, น, นานสักหน่อยทําต่อเนื่องรู้สึกรู้สึกที่เฉยๆต่อเรื่อง ก, กนนารนานเนี่ยจิตเราจะสงดใสเบิกบานมันจะผ่องใสเพราะไม่มีความคิดรูแต่งรบ ก, กวนเลยมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่ไม่ ไม่ต้องมีอะไรมาตกแต่งจิใจเรื่องปที่มันบอลลูนมันมีแต่ความเมาใจเอาใจเย็นอกเย็นใจเนี่ยมันเป็นความไปของเขาเถียนนะหลวงพี่เตียนบอกว่าให้รู้สึกคิดเฉยให้รู้ที่เฉยโดยที่ไม่มีความคิดตกแต่งอะไรเลยหลวงพี่เรียนเน้นให้รู้สึกเฉยโดยที่ไม่สนใจกับความคิดตกแต่งเมื่อมีความรู้สึกเฉยเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว มันเป็นจติตเป็นปกติแล้วเป็นปัจจุบันเนี่ยร้รอยนะอยู่ในตัวเดียวท่านเลยหลักคำสอนท่านเลยหลักกล่าวไว้ว่าจิต ด, ดั้นเดิมไม่ใช่สอนจิต ด, ดั้นเดิมเนยคือความรู้สึกล้วนๆไอ้ที่สอนนะคือความคิดกลุงแตกพอใจให้พอใจอันนัไม่ใช่ของเดิมของเดิมคือจิตที่ รู้สึกลวนๆพระพุทเจ้ากล่าไว้ว่าจิตปกติเนี่ยจิตที่เป็นปกติเนี่ยมันมีความหอมใสกระพัด ส, สอนหอมใสบ๊อยสูบอยู่ก่อนแล้วที่จิตมันหัวหมองเพราะว่ามันจีตอุปกิเลหรือความคิดมันจอยมามันมาที่หลังมาที่หลังเมื่อความคิดหรือกิเลมันจอนมา แล้วมันก็่ามามันเป็นแครแขกจอนมาแล้วก็ผ่านมาคำว่าแขกอยู่ไว่นานมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ผ่เหมือนพวกเราเนี่ยมาสุวนหนหนึ่งสัปดาหนี้นะเดี๋ยวก็แยกยายกันเพราะแกรมันจอนไปความคิดจอนไปจิดมันก็บริบทเหมือนเดิมแต่พวกเรามันชอบรับแครแต่พอความคิดจอนมาก็ไปคิดตามไปผักใส ไม่พอใจก่อนนี่นั่นแหละเราลับแขหงเอาไว้ทำไมเราไม่รู้เจ๊งเฉยถ้ารู้เจ๊งเฉยนี่อแขต้งจะตายไปเองไม่อยู่นานเราอกแแหเพราะฉะนั้นไม่เป็นเราแแหงเราเราปิดเปิรักษาจิตได้ความรู้สึกตัวรู้ตัวนี่ยรู้ต่อได้บบนานเราจะสมัคได้กับความสุขในปัจจุบันถ้าเรามีความรู้สึกเจ๊เฉย รู้สึกอย่างเดียวไว้ถอนเมื่อกาดาเนี่ยจิตมันจะตื่นจิตมันจะตื่นเมื่อมันตื่นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปกติจิตตื่นแล้วเป็นปกติเนี่ยมันจะสงบมันจะมีความเบิ่บานในตัวมันเองใช่มเมื่อเรารู้ึแบบไม่ยุ่งเกี่ยวไรความคิดคุงแต่เร่องราวพวนี้เราจะพบความสุขแท้ในปัจจุบันนะความสุขแท้ มันไม่อยู่นอกตัวเราเลยมันอยู่ที่จิตใจเรานี่เองอยู่ที่ตัวเรานี่เองเราไม่ต้องไปแสวงหาข้างนอกความสุขี่แทริยนั้นอยู่ที่ใจของเราเราไม่ต้องไปไหนก็ได้ нуть, ไม่ต้องไปร <Yeah. S 1> ู้หนังไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องไปทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปแสวงหาความสุขไปไหนก็ได้เรามีความู้สุกตัวเนี่ยมันจะเกิดความสุขเองไปไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราบังคัความสุขได้แม้ว่าเราจะไปไหนก็ตาม ความรู้สึกตัวการเอาความรู้สึกตัวนี่มาดําเนินสู่ในปัจจุบันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขอยู่ในโลกนี้นะความสุขอยู่ที่นี่อยู่ที่เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปัจจุบันอย่าไปรอความสุขในอนาคตไม่มีวันเจอเพราะอนาคตมันอยู่ข้างหน้าเรารอมาสุ่อนาคตมันไปแต่ข้างหน้านะฮะรอจนตาย ก็ไม่เจอความสุขและยังคิดรอว่าชาหน้าอาจจะเจอความสุขอีกไหมอยู่ที่วันนี้ก็มีความสุขไม่ต้องกลับไปบ้านลองอยู่ที่นี่แหละสุขอยู่ปัจจุบันที่นี่แหละบางทีเราคิดว่าความสุขอยู่ที่บ้านอาจจะกลับบ้านไปแล้วอาจจะมีความสุขไปแล้สู้ที่นี่ไปแล้ากลับไปบ้านแล้วอาจจะมีหวังไม่มีความสุขเลยเราอยู่กันตลอดคิดไหม อยากกินมากเพราะนั้นเพราะนั้นพวกเราถ้าเราอยากจะมีความสุขที่แท้จริงกันบ้างนะขอให้เราทำความรู้สึกตนเริ่มต้นจากตรงนี้ให้ปล่อยวางเรื่องลาแมดีทั้งหมดเลยไอยทิ้งไปทั้งหมดลแล้วก็เริ่ นวิจังวลเรื่องอนาคตหันมาดำเนินชีวิตอยู่ปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวทุกคนจะมีสิทธิได้พบความสุขแท้จริงครับก็น่าจะพอแค่นี้แล้วมั้งเนก็ขอวยความรู้ท่า น, นจงทำความรู้สึกตัวอย่างมีความสุขแล้วก็พบกันหม